พระธรรมเทศนาแผ่นที่87ดลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธ า, านีสแสดงธรรมในวันที่7มีนาคม2559มีชื่อเรื่องว่าปรัถนาหลุดพ้นเป็นมงคลอันสูงสุด ที่ปิสัพัธิกันชนลียันติวรรณะยาติธสันติสัตว์วราชกชาติกาติเศตุธมังนุกรมมิพันปัจจันรอาน้าวคณะทาฐาิโยมตั้งใจฟังขอกราบคาวะครูบาจารย์พระเถรานุเถระ ที่มาร่วม ง, งานกระผมเองเป็นได้รับอนุมัติจากรูบาอาจารย์จากคณะทาย า, า, ญญาิโยมให้เป็นผู้แสดงธรรมกล่าวสมโภชธนิยกถาในวันนี้เรขอให้คณะทาย า, า, ญญาิโยมตั้งใจฟังคงจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็ต่างวัดที่ท่านอยากจะกลับวัด วัดบางองค์ก็อยู่ไกลถ้าท่านจะเดินทางไปกับองค์ใช้ใช้เวลานานเพราะนั้นหลวงพ่อจะไม่พูดมากนะคณสัตยาจมถ้าหากว่าไม่มีการกล่าวอะไรเฉลยในงานนึงนึงก็มันก็ขาดไปพราะนั้นการกล่าวน่ก็จำเป็ น, นเพื่อเป็นรสชาติของงานเป็นผงชูรสของงาน ถ้าว่าไม่มีการแสดงธรรมไม่มีการพูดกล่าวอะไรเลยมันก็รู้สึกว่าหงอยเหงาแห้งแลง้งถ้าว่าพูดจนตระกูลปั่งก็ยังไงอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะได้ขอกรูบาอาจารย์ที่มางานขององค์หลวงปู่ของเราหลวงพ่อจะได้กล่าวเพราะฉะนั้นขอให้พระธรรมญาติโยมตั้งใจฟังค่ะ ถึงจะพูดน้อยก็พยายามจะพยายามให้มีเนื้อหาสาระในการฟังเพราะว่าเมื่อฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบันเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใส ในการได้ยินได้ฟังอันนี้ก็คือการอันนี้สงแห่งการฟังธรรมแล้วก็หลวงพ่อเคยยกเป็นพุทธภาจิตเสริมเขว่าสุดตรมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาใขว่ปวดทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนในหลักธรรมคาสอนของพุทธาก ภาวนาพยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบมาแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเพราะนั้นการฟังสรุปแล้วก็คือตองอาศัยการได้ยินได้ฟังนะสุสังละสเตปัญญ์ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้าว่าไม่ตั้งใจฟังฟังแต่สักพฟังก็เหมือนกับหลวงปู่ตืท่านมา หูกระเช้าหูกระช้าหูหมอขางหูกระทะเนี่ยฟังไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนเป็นหูเหมือนกันแต่ฟังไปแล้วไม่รู้รสแห่งพระธรรมหลวงพ่อจะเข้าปรนะเด็นแล้นะที่นี่นะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัส กะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาปูชาจะปูชนียนังขยะวยธรรมมาสังคาราอั ป, ปมาเดนะสัมปานเดธาติติวันนี้นับว่าเป็นวันหนึ่งเป็นวันกำหนดการงานบำเพ็ญกุศลปีที่สิบ อุทิตถวายแด่หลวงปู่จันสมกิติกาโรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่านาศีดาบ้านนาศีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุรณธานีวันที่ 7-8 มีนาคมพุทธศักราช2559ถือว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่วงหลวงปู่ได้จากพวกเราเป็นเวลา10ปี แต่พวกเราก็ยังลําลึกถึงพระคุณขององค์หลวงปู่อยู่ตลอดเพราะว่าเราได้เห็นอริยบทหรือว่าอริยจิตจวัตขวัดหรือการกล่าวเ ม, มตตาธรรมของท่านให้กับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเรายังจําในความเมตตาขององค์ท่านอย่างพวกเราที่ ก่อนหน้านี้ยาตำหลับตำราที่หลวงปู่ได้สร้างได้ทำก็ว่าว่านยาว่านของหลวงปู่จันสมก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วหน้าแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์หลวงปู่ของฤทธิ์ของเราและก็ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ยังสืบทอดกันอยู่ก็ยังใช้ได้คือหัวเป็นความคิดขององค์หลวงปู่ ที่ท่านมีเมตตาต่อคณะจตหายาโยมลูกหลานทุกหมู่เราแต่หลวงพ่อมาทีไรท่านก็ให้เป็นกอกเป็นกรรมหลวงพ่อก็ได้นำไปใช้ก็เกิดประโยชน์จริงๆเน่ยที่ยาของหลวงปู่เนี่ยล้ลวนแล้วจะเป็นหลวงตูปู่เป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกต่อหลานต่อพวกเราคณะจทหายาโยมพระเนรลูกหลานทุกองเรดังนั้นมาหนึ่งปีนั่ง พวกเราก็ควรจะมาแสดงความเคารพศักการะหรือว่ท่านผู้ใดมีเวลาอันว่างมีเวลาว่างจะมากราบเคารพคารวะเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงท่านขององค์ท่านก็มีเป็นที่กราบไหว้เคารพศักการะเป็นเจดีย์ที่พอเหมาะสวยงามสร้างเพื่อเป็นบูชาพระคุณองค์ท่านและก็พร้อมกัน ในพระเจดีย์ก็มีพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายหลวงปู่มั่นของพวกเราได้บรรจุไว้ในพระเจดีย์อันนั้นก็เป็นสถานที่เคารพสักการะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บันใบรรดาคณะสัตยาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านอันนี้ก็หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวบรรยายให้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานได้ฟังว่า ครูบาอาจารย์ของพวกเราแต่ละท่านแต่ละองค์มีขั้นูปการต่อศิษยานุศิตต่อวัดวาศาสนาต่อพวกเรามากน้อยแค่ไหน อ, อยู่ในจิตในใจของพวกเราทุกๆ ท, ท่านคงไม่เหมือนกันนั้นในการประทับประทับในความรู้สึกในจิตใจของพวกเราทุกๆ ท, ท่านสรุปแล้วก็คือล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดี ในจิตใจของพวกเราแต่มาบัดนี้วันนี้พวกเราได้มาลํำลึกถึงพระคุณของท่านจะได้มาพร้อมกันถึงจะยากลาบากห่างไกลแต่พวกเราได้มาพร้อมกันแสดงออกซึ่งความเคารพสักการะในวันวันวันมรณะขององค์ท่านแต่ถึงยังไงก็าตามให้พวกเราท่านทั้งหลายที่มาสู่วัดขององค์หลวงปู่ หลวงปู่แนะนำสั่งสอนอย่างไรท่านให้รู้จักประกอบให้คุณงามความดีท่านสอนแนะนำสั่งสอนอย่างไรให้ทานรักษาศีลภาวนาอันนี้ก็คือจิ ต, จ, ตจิจกรรมรกิจจวัดถ้าพวกเรามาวัดของท่านบางท่านบางคนก็มาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สมาทานศีลในวัดของท่านอันนี้คือ ถือเป็นประเพณีของครูบาอาจารย์ที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราที่เข้ามาสู่วัดของหลวงปู่ก็เช่นเดียวกันควรจะประกอบคุณงามความดีน ะ, เ, ะเพราะว่าในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้ใครๆก็ต้องการความสุขความพาสุขความสุ ข, ค ว, สขความเจริญความเป็นสิริมงคลสําหรับตัวเองทั้งนั้น อ, อ, อย่างมงคลสามสิบแปดประการที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาสาธกว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชสัคื์แล้วก็มีมอหระศพในเมืองออคนทั้งหลายเต็มไปหมดแต่คนนั้นคงจะปะคงจะประกาศเสียงดังเหมือนกับเราประกาศไมโครโฟนก็มังนะออถ้าประกาศขึ้นมาว่า ความเป็นสิริเป็นมงคลจงเกิดกับข้าพเจ้านะความเป็นสิริเป็นมงคลจงเกิดกับข้าพเจ้านะพราว่าเท่านั้นเขาก็หายหายไปไม่รู้ใครพูดนะแต่นี้คนก็เลยทกเถียงกันคลยเอ๊ะคำว่าสิริมงคลเนะี่ยอันไหนคําว่าเป็นสิริมงคลคนหนึ่งก็อธิบายขึ้นว่าสิ่งที่ได้เห็นของสวยๆงามๆนั่นแหละเป็นสิริเป็นมงคล แต่คนหนึ่งก็คัดค้านกันว่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่บางทีก็เห็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งไม่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็มีมากในขณะเดียวกันจากนั้นเราจะเป็นมงงหถือว่าเป็นมงคลได้ยังไงยังไม่ใช่การได้เห็นก็เลยทางการได้เห็นแต่การได้ยิบบังการได้จับต้องบังก็เลยถกเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดต่างคนก็ต่างมีความเห็นจากนั้นเมื่อมนุษย์มีความเห็นไม่ตรไม่ลงกัน ไม่ตรงกันเทวดาที่เป็นกายยสิทธ์ทั้งหลายได้ยินเสียงมนุษย์พูดเอ๊ะคำพูดคำนี้เนะี่ะคําว่าเป็นสิริมงคลยมเกิดกับข้าพเจ้ามันเป็นมันอะไรคือสิริมงคลเอการเทวดาก็ถกเถียงกันอีกไม่ลงรอยกันอีกอจนถึงจนถึงชั้นพรม ไปถึงพระ อ, อินทร์ไปถึงชั้นพรมก็ถกเถียงกันไม่มีใครเฉลยปัญหาข้อนี้ได้จยากนั้นพระ อ, อินทร์นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นะไม่มีใครที่จะเฉลยปัญหาข้อนี้ ไ, ด, ออสสได้จากนั้นพระ อ, อินทร์ลงมาในเสด็จลงมากลางคืนแสงสว่างไปหมดจากนั้นพระอินทร์ก็เข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่วาอันไหนหนอไปเจ้าขา่าที่มนุษย์ คนทั้งหลายสนเอฉับสนสนเท่กันอยู่เดี๋ยวนี้ว่าเป็นสิริมงคลขอความเป็นสิริมงคลจงเกิดกับข้าพเจ้าจงมีกับข้าพเจ้าอันหนอไอ ห, หนอเป็นสิริมงคลพระเจ้าผ่านพระองค์บอกว่าฟังอปัญหานี้เราตถาคตน้น่ะจะเป็นผู้เฉลยได้แล้วพระองค์ก็ยกขึ้นมาว่าอาเซวานาจะบาลานังบัณฑิตานั้นจะเซวานา ปูชาจะปูชนียานั่งไอเชวนาจะบาลานังอย่ากครอบขนผ่านบัณฑิตานันจะเสวนาให้ครอบบัณฑิตนักปา่าปูชาจะปูชนียานั่ง บ, บูชาบุคคลที่กวรบูชาอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาิษีบางตนว่าปูชาจะปูชนียานั่งบูชาบุคคลที่กวรบูชาและกัเป็นมงคลอันอุดม แล้วก็มาตาปิตุอะไรไล่ไปทุจบจนมงคลสามสิบแปดประการเนี่ยพระองไล่เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อไปอทั้งเทวดาทั้งหลายน้อมรับในพระธรรมคําสอนของพระพุทธจนะเจ้านี่ยจากนั้นก็ได้นําพระธรรมคําสอนมาออกมาสวดเป็นมงค ล, ลสูตรมงคลสาสิบแปดประการแตี่นะความเป็นมาของมงคลลสูตรจุดนี้เนี่ยที่ ที่คนที่พระองค์ได้ตรัสได้แสดงให้กับบุคคลพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะฉะนั้นคำว่ามงคลน่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าบูชาจะปูชนียานังบูชาบุคล ค, บ ค, บคลที่ควรบูชาคือบุคคลที่ควรบูชาคืออย่างองค์หลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่งเพราะอะไเพราะเป็นปูชนียบุคคลท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ยู อยู่ในความสงบงบเงียบในสัยกิริยามารยาทหน้าเคารพนับถือเลื่อมใสนี่แหละเป็นบุคคลที่หาได้ยากแลอเป็นบุคคลที่ควรบูชาในหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะแต่ขอให้พวกเราทุกๆท่านนี่แหละไม่ใช่ว่าเห็นต้นกล้วยออกครึ่งลำ เ, เห็นหมาเกิดห้าหกขาก็ไปบูชาไม่ใช่นะอันนั้นเป็นว่า เป็นมิจฉามิจฉาบูชาไม่ใช่สัมมาบูชานะใครว่าไม่ใช่สัมบูชาในสิ่งที่ถูกต้อง เ, ออเป็น เ, เป็นมิจฉาทิฐิในความเห็นในจุดนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะในโลกมันมีเกือบมีสองทั้งนั้นแหละผิดกับถูกถูกกับผิดนะแต่ให้พวกเราสังเกตต้องใช้ปัญญาตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะ คีอจะทําสิ่งไหนออกไปลงไปขอให้คิดถี่ถ้วนแต่ก่ะดอยังควยทำลงไปคิดทำํำพูดในสิ่งที่ถูกต้องมีแต่ความร่มเย็นผาสุกแต่ถ้าว่าคิดทําพูดไม่ถูกต้องความไม่ถูกต้องนั้นแหละจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้เป็นโอวาทปฏิโมกว่า อัคตังทุกตังเส้ยโยปัะชาตปติทุกตังคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้พวกเราให้คิดมองดูตนเองไว้อยู่เสมอแต่พวกเราคิดดีทดําดีพูดดีแล้วมีแต่ความผาสุกความเจริญในการเป็นอยู่ในการเป็นอยู่ด้วยกันมากมายนะการคิดดี เนอคือสัมมาทิฏฐิคิดไม่โลภอยากจะได้ของเขาไม่คิดไม่พยาบามบปรองฆ่ร้ายเขาเนอคิดไม่เห็นผิดจากทํานองคลองทำอันนี้คือคือสัมมาทิฏฐิในความในการคิดเออและกับการกระทำอ่าไม่คิดฆ่ากันไม่คิดฆ่าสัตว์เออไม่คิดฆ่าสัตว์ไม่คิดขโมยทรัพย์ไม่คิดไม่คิดรับผิดประพฤติผิดในกามเขารกในสามีภรรยาซึ่งกันและกัน ไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นไม่ดื่มสุราคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของมึนเมาไม่เสพไม่ดื่มของที่ทำให้ตัวเองมึนเมาขาดสติอันนี้ก็คือทำดีแต่พูดดีเราอย่าไปพูดพดพูดปดพูดสอเสียดพูดคำหยากพูดเพอเยอะพูดหาสาระประโยชน์ไม่ได้พูดจุแยงกระแทงให้รูป พูดที่ออกไปถ้าทําให้แตกแยกสามัคคีกันทําให้ใครค น, คนอื่นเขาแยกสามัคคีกันนั้นนะแปลว่าพูดผิดถ้าพูดผิดเข้าไปติดคกุกติดตารางได้นะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่นะถ้าบอกพูดพูดไม่ดีก็ติดคุกเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงไปเหมือนกันนะแต่ว่าให้พวกเราคิดพูดถกนะแต่สินข้อที่หสุ ร, ราเนี่ยหลวงพ่อไปที่ใดหลวงพ่อก็พูดนะ เน้นน ก, กว่าสินข้อที่ห้าในสินสินหลังคาบ้านนะสัทาญาติโยมลูกหลานสินข้อที่ห้าสินหลังคาบ้านหลังคาอาคารอย่างพวกเรามาอยู่ที่นี่แหละถ้าบ้านหลังนี้ศาลาหลังนี้ไม่มีหลังคาเออเวลาฝนตกมาเราก็เปียกอยู่ไม่ได้เวลาแดดออกมาเราก็อยู่ไม่ได้เพราะมันร้อนเพราะไม่มีหลังคานี้ก็เหมือนกันศินข้อที่ห้าเยเป็นศินหลังคา สติสัมปชัญญะคนที่ขาดสติคนวิธีไม่มีสติคนขาดสติเจ็บคันชายาฝิ่ น, ฮนเฮโรอีนยนิงกินเหล้าเมายาขาดสติแล้วทําความชั่วในทุกอย่างถึงจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนลำลวยขนาดไหนมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหนแต่เป็นบ้าเสอย่างเดียวเท่านั้นจบเลยคนคนนั้นหมดสภาพทุกอย่างนี่ก็เหมือนกันพวกเรารู้แก่ใจว่าการดื่มสุรา ขาดทัตติ้นทําให้เสียหายควรนั้นพวกลูกหลานกนันตาทายาตโยมสํารวมระวังนะถ้าอย่างสำรวมให้ระวังในเรื่องสิลข้อที่5นะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนําไปคิดนําไปพิจารณาดูซิจริงไหมอพอหลวงพ่อพูดให้พวกเราคิดนะ่ะการแสดงธรรมและการเทศคือแนะนําให้พวกเราคิด อ, อย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นดีไหมอันนั้นถูกต้องไหมอันนี้ถูกต้องไหมอันนี้ให้พวกเราเลือกทีนี้น เน่พอหลวงลงพ่อชี้ประเด็นให้ดูแล้วไงพวกเราเลือกพอเลือกแล้วก็เออชายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะถ้าเมื่อเห็นด้วยแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายว่ายใจใจของพวกเราพวกเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้าแต่ว่าพวกเราไม่ปฏิบัติตามศีลจริงตามธรรมแล้วนะกรรมชั่วจะทํำเฉลยดีกว่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวฉะนั้นขอให้พวกเราคณะจตหา ย, ยาจม ลูกหลานนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาจิต <c oughs> อันสุดท้ายว่าถึงพ่อจะไปพูดนักสถานที่ใดหลวงพ่อจะเน้นย้ำถึง ว, ว่าขยะวยะธรรมมาสร้างข่าราอั ป, ปมาเดนะัมปาเดทาติอันนี้คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสออวันที่พระองค์จะปรินิพานพอตรัสคานี้ออกมาแล้วพระองค์หยุดพูดเลยหยุดตรัสอีกเลยไม่ ไม่กล่าวคาอะไรออกมาอีกขยะวยะรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะเอ้าประมาเดนะซ้ำปาเดธาติขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็นคืออะไรให้รักศีลให้ทานรักษาศีลโาวนาเป็นคนดีพูดง่ายๆเอข้าพเจ้าจะเป็นคนดีเอจำรวงกายวาจาไม่เบียดเบียน ใครไม่ขโมยใครมีศีลห้าไม่พูดทําให้คนอื่นเดือดร้อนข้าพเจ้าเป็นคนดีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านกันนะสิ่งไหนพอที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลช่วยเหลือโรงเรียนเวลาครูบาอาจารย์เจ็บไข้ใดป่วยหรือศรัทธาญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือกันอันนี้ว่าประโยชน์ท่านทั้งพวกเราถ้ามองดูตัวเองชีวิตของข้าไม่เที่ยงแท้แน่นอน และข้าพเจ้าจะเป็นคนดีสั่งรมกายวาจาใจของเราและก็พร้อมข้าพเจ้าจะช่วยเหลือชุมชนสังคมให้ดีให้คิดไว้ในใจอย่างนั้นเสมอถ้าพวกเราคิดอยู่อย่างนั้นนะในโลพวกเราอยู่นสถานที่ใดอยู่ด้วยกันมากน้อยแค่ไหนในพระสงฆ์อยู่ด้วยกันมากน้อยแค่ไหนในสัตยาญาณโยมอยู่ด้วยกันมากน้อยแค่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันถ้ า, ถ, าถ้าเราใช้หลักธรรมคําสอน ของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัตินะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อจะขอย้ำท้ายอีกจุดหนึ่งในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นของเราเนี่ยท่านให้ภาวนาเนะลูกหลานน่ยถึงยังไงยังไงให้ทานนะครับให้ได้ทานรักษาศีลอย่างไงก็ตามนะให้ทานก็ใช่ก็เป็นบุญกุศลรักษาศีลก็ใช่เป็นบุญกุศลแต่ภาวนาในคํานี้แนหะเป็นขั้นสุดขั้นสุดท้ายนะ จะเป็นเครื่องยับยั้งทางด้านจิตใจถ้าว่าพวกเรามีภาวนาถึงวรณะภัยทุกคนมัต้องมีบารณะภัยมาถึงตนเองแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นพอมาพอาบารณะภัยเข้ามาถึงเท่านั้นมันจะวิ่งเข้ามาหาสมาธินะมาหาพุทโธพุทโธพุทโธนะในเมื่อเราตายกับพุทโธแลอวไปอยู่กับพุทโธเนี่ยสุขตินะเป็นทางเป็นที่ไปนะแต่ถ้าว่าโรกพวกเราเมาเควื่คว้าง ตายไปด้วยความโมโหโกธาผูพกพยาบาทอาฆาตจองเวนสิ่งไหนที่มันไม่ไดีขนเข้ามาโมโหโกธาให้กับใครต่อใครนะนั่นแหละเมื่อออกจากจุดนั้นแล้วนะมีแต่ทุกข์ติเท่านั้นแต่เป็นทางไปเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้ภาวนาเนอะฝึกขัดไวแต่เนิ่นๆพอพวกเรานั่งภาวนาวันวันไหนว่างๆกันนั่งขัดนั่งสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้นั่งอย่างที่ผู้ อุบายจยา์ลูกเหมือนของหลวงปู่ที่ท่านนั่งคัดสมาธินะ่ะจากนั้นบริกรรมพุทโธพุทโธด้วันละหนาทีส0นาที2 0่0นาทีวันละชโมงถ้าได้อย่างนั้นน่ดีนะลูกหลานนะคณะสัตยาญาตโยมใจของเราจะเป็นผู้มีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีอะไรจะไม่ว้าเหวอ้างว่างเยียบเหม า, า, าเศร้าซึมเพราะอะไรเพราะเรามีธรรมอยู่ในจิตใจมีสมาธิอยู่ในจิตในใจ เพราะฉะนั้นพวกเราให้ฝึกเอาไว้นะจุดนี้นะเรื่องสมาธินะการกล่าวสัมโภตทธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรัยพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพบุญบารมีขององค์หลวงปู่จันสมของพวกเราที่ท่านได้บาเพ็ญมาด้วยดีมาตลอดขอให้มาคุ้มครองคณะัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคน ขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในตอบของสิ่และธรรมขอขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเถิน